เมื่อวันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่พวกเราเป็นศาธนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าควรจะมีวันวันดีวันดับวันบําเพ็ญกุศลแล้วก็วันทําการงานวันนี้เป็นวันบําเพ็ญกุศลทางด้านจิตใจถ้าว่าเราไม่มีวันไหนเลยไม่มีวันสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเลย จิตใจของพวกเราก็จะห่างเหินจากธรรมจากศีลธรร ม, จ า, รรมจากคุณธรรมไม่เป็นผลดีสาหรับพวกเราทําให้ใจจิตใจของเราเราร้อนเพราะว่าออกไปทางใจของเราออกไปทางนอกมากเกินไปถ้าออกไปข้างนอกก็คือไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะคือโมหะเนี่ยเป็นความรุ่มหลงกับวัตถุสิ่งของ ภายนอกต่างๆทำให้พวกเราไม่ได้สำนึกสำเหนียกว่าการเป็นอยู่ของพวกเรานั้นที่แท้นั้นคืออะไรแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาสู่ธรรมะได้ฟังธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มาศึกษาในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะสำนึกได้ว่าการเป็นอยู่ของพวกเรานั้นคืออะไร ชีวิตของพวกเราการปิดอยู่นั่นคืออะไรเราจะก้าวเดินไปทางไหนการก้าวเดินของเราเป็นอย่างไรในอนาคตสรุปแล้วก็คือเรื่องอนาคตเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เป็นความมุ่งหวังของพวกเราอดีตที่ผ่านมามันก็ผ่านมาแล้วมันดีมันก็ดีมาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้ว มันไม่ดีไม่ชั่วมันก็ผ่านมาแล้วแต่อนาคตยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้มือรนี้ปีต่อไปภายภาคห น, น้าเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดได้วางแผนเอาไว้เหมือนกันการวางแผนเอาไว้ก็คือวางแผนทงทั้งสองอย่างสองอย่างนั่นคืออะไรก็คือการเป็นอยู่ปัจจุบันการทำมาหาเลี้ยงชีพ การทำมาค้าขายทําราชการงานเมืองอันนั้นก็คือการดํารงชีพให้อยู่ให้เป็นไปได้ในส่วนร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นพวกเราจะวางแผนยังไงใจของเราจึงจะไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งภายนอกมากจนเกินไปคือโลกทั้งโลกมันโลกใบนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอ่ะมันมีกิเลสอยู่ในใจของเราเท่านั้นเอง ไปลุ่มหลงมัวเมาคือตัวโมหะตัวอวิชชาคือตัวโมหะคือตัวไม่รู้อยู่ในจิตใจของเราก็เลยทำให้เรากลุ่มหลงมัวเมาคว้าประสิงทั้งปลายทั้งปวงว่าเป็นว่าเป็นตัวตนของเราแต่ที่แท้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดแต่พอเราเกิดมาแล้วเราก็คิดว่าเป็นของเราเราก็ขวอยคว้า พอควยคว้าเข้าไปมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นความหลงของเราเนี่แหละพระพุทธเจ้าท่าน่าให้ดูสรุปแล้วก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ดูให้ดูดตัวตัวของเราเพราะนั้นที่ท่านบอกว่าให้พิจารณาให้เป็นความว่างให้พิจารณาให้กำหนดดูว่าโลกนเป็นของว่างของว่างเปล่า แต่พวกเราก็มาเถียงในใจว่าจะไปว่างได้ยังไงคู่คนต้นไม้ภูเขามองไปที่ไหนก็เห็นแต่คู่คนจะว่างได้ยังไงอันนี้คื อ, คอเราเถียงอยู่ในใจแหละท่นี่สวนสวนคำของพระพุทธเจ้าเลยท่านว่ามองโลกให้มองให้ว่างแต่ความว่างของพระพุทธเจ้าเน่ะท่านบอกว่าทำไมจึงท่านจึงมองให้ว่างเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามองเห็นมันไม่ใช่ของเรา เหมือนมีแต่มันไม่มีเหมือนมันมีแต่มันไม่มีเหมือนไม่ใช่แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราเหมือนกันมีเงินอยู่ในธนาคารเป็นเงินของเขาหรือเป็นเงินของคนอื่นไม่ใช่ว่าเงินของใครแต่ไม่ใช่เงินของเราเราจะถือว่าเรามีได้ยังไงเราก็ต้องบอกว่ามันว่างเราไม่มีเดี๋ยวนี้เราไม่มีเราว่างอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่ง เราจะต้องลายออกจากโลกนี้ไปร่างกายสังขารทุกส่วนตั้งแต่หัวจดเท้ากระดูกทุกท่อนเนื้อหนังมังสาของเราเราจะต้องทิ้งไว้ในแผ่นดินทั้งหมดถึงจะไม่ทิ้งมันก็ต้องเหมือนกับทิ้งเพราะว่าร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วจะไปยึดมั่นมาสิ่งเราอื่นเป็นของเราได้ยังไงมันเลยเป็นของว่างของว่างเปล่าทาใจให้ว่าง ให้ยึดมั่นถือมั่นให้ทําใจให้ว่างแล้วทาใจให้ว่างเราเราพวกเราได้อะไรเราไร้อะไรในก่อนการว่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกเมื่อทําใจให้ว่างแล้วการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วกิเลสราคะกุดิโทสะกุดิโมหกุดิการถือตนถือตัวการยึดครองทิฐิมานะใ น, ในใจิตในใจของพวกเราก็จะปล่อยเบาลงไปเพราะเหตุอะไร เพราะจะไปยึดถือทาไมทำไมเรื่องอะไรเพราะสิงทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแต่เราอยู่ในสถานะไหนเราทำดีที่สุดในสถานะนั้นๆในเมื่อเราเป็นพระเราก็อยู่ในสถานะพระให้ดีที่สุดในเมื่อเป็นครวญอยู่ในระดับไหนเราก็อยู่ในฐานะนั้นให้ดีที่สุดทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสถานะนั้นเอ เราก็ไม่ควรยึดปั้นถือมันอีกเหมือนกันว่าอีกสักมันหนึ่งพวกเราจะต้องจับใจจากจะต้องจากโลกใบนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นต้องทําใจอยู่อย่างนั้นมาอยู่เสมอนี่แหละเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าคนเราคิดได้อย่างนี้อารมณ์โกรธโท่โศโมโหโกธาโลภจนไม่มีที่สิ้นสุดก็จะยุติลงได้เพราะเหตุไรเพราะเรารู้เท่ารู้ทัน รู้รอบด้านปัดร่างกายสังขารสัพสัตวสหรือว่าโลกทั้งโลกไปนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ามันเป็นของว่างเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนคว้าน้ำเหลวเราได้อะไรผลที่สุดก็ต่างคนต่างคว้ากันต่างคนก็ต้องต้องต่างต่างวางมือต้องลามือต้องปล่อยวาง้วยการทั้งหมดนั่นแหละ อันนี้แหะคือหลักของพระพุทธศาสนาท่านมองโลกให้เป็นของว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่เราที่เราจะยึดนอกจากคุณงามความดีเท่านั้นที่เราจะยึดยึดก็คือยึดคุณยึดคุณงามความดีการที่เราจะทําสิ่งไหนที่จะเป็นขุนเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราต่อพี่น้องวงสาคณะญาต ประเทศชาติบ้านเมืองต่อโลกควรจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนโลกถ้าใครคิดได้อย่างนั้นโลกทั้งโลกก็คงจะร่มเย็นเป็นถุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คงจะยากแต่ถึงจะยากยังไงพระพุทธเจ้าก็รู้ท่าน ท, ทำไมท่านท่านจะไม่รู้ท่านรู้ท่านรู้ท่านทาไมจึงสอนสอนว่าผู้ที่มีทุดีเบาบาง ใจิตใจที่เป็นกุศลมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่จะหนาทึบทุกคนคนที่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้ท่านผู้นั้นคนผู้นั้นบุคคล น, นั้นเขาก็จะยึดว่าข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนชั่วสิ่งไหนที่ชั่วแล้วข้าพเจ้าจะไม่ทำํำข้าพเจ้าจะจะทำดีในชุมชนและสังคม บุคคลอย่างนั้นมีอยู่แต่ก็หาได้ยากบุคคลเช่นนั้นมีอยู่แต่หาได้ยากแต่ถึงจะยา ก, ย, ากยังไงก็คือบุคคลนั้นเป็นคนดีถ้าว่าสีดำไปด้วยกันทั้งหมดเลวันด้วยกันทั้งหมดโลกใบนี้ก็คงจะเดือดร้อนวุ่นวายแต่นี้ก็คงจะมีคนดีอยู่ที่จะทำให้โลกทั้งโลกพรมเย็นเป็นจุกได้นี่แหละหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนศีลธรรม ไว้ในพระพุทธศาสนากับลักษณะอย่างนี้แหละที่สอนศีลห้าก็ดีศีลห้าถ้าเราพูดไปแต่ศีลห้าใครจะเป็นคนรักษาแต่ตามไม่จริงศีลห้าคนทั้งโลกเขาก็ต่อต้านกันต่อต้านกันไม่เห็นด้วยแต่ถ้าว่าผลของมันออกมาเป็นยังไงใครใครก็ยอมรับผลของศีลห้าออกมานั้น มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากแต่ว่าเหตุที่จะต้องทำนั้นไม่พึงปรารถนาของคนเป็นส่วนมากแต่ว่าผลของออกมานั้นเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายทั่วไปนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าหรือว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่ในลักษณะอย่างนั้นเหตุนี่ใครๆก็ไม่อยากจะทำแต่ต้องการผลแต่ถ้าไม่ทำเหตุจะก่อนผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกทุกท่านช่วยกันพิจารณาไตรตรองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติถึงจะใครจะชั่วจะดีอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นคนดีในชุมชนสังคมประเทศชาติของโลกถ้าคนคิดได้อย่างนั้นแล้วก็นั่นปรับปรุงกายว า, ายใจใจของเราให้เป็นคนที่ดีพระที่ดีญาิโยมที่ดี อย่างที่ว่าน่ชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากไปยังไงการพูดทางนี้ทางนั้นหลักของพระศ า, าสนาเนี่ยถ้าไม่พูดถึงจุดนี้แล้วพวกเราก็จะตั้งอยู่ในความประมาทถ้าพูดถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนกับเอาเรื่องหายานะเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายมาข่มขู่กันไว้แต่ตามไม่จริงไม่ใช่เป็นการว่าก่าวตักเตือนย้าเตือนกันเพราว่า พิษภัยที่ไปข้างหน้านั้นมีอย่างนี้นะให้ระวังนะให้ช่วยกันระวังนะจะช่วยกันคิดยังไงให้การช่วยกันเตรียมสเสบียงเดินทางยังไงจริงต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจรึงจะไม่ลำบากทางว่าพวกเราฉลาใจพวกเรานอนใจพวกเราไม่ได้ขนขวายไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อดล่วงหน้าอีกสักวันหนึ่งจุดนั้นมาถึงพวกเราก็จะจะมีความทุกข์ ในใจเพราะนั้นการพูดหรือาการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนกันมากับเพื่อ น, นี่เนะตือนกันเป็นการเตือนกันบอกกล่าวกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะพวกเรานะเนอชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนอะอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้า ไม่รู้ว่าวันไหนละพวกเราจะถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างอื่นแต่และตายแล้วไม่ศูนย์นะตายแล้วเกิดอีกพอพบพระเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วครูบาอาจารย์ท่านพิสูาจาน์านมาตามลําดับลํำดับที่ท่านอยู่ป่ารงพงไพ่นั่งสมาธิปฏิบัติของท่านท่านก็พิสูจน์เรื่องนี้แหละเรื่องตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนย์อันไหนตายศูนย์อันไหนตายเกิดตัวไหนพาไปเกิดตัวไหนศูนย์ ท่านแยกแยะออกรู้แล้วจึงได้นำมาสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเรามีภาระมากมีทุรหมากไม่สามารถที่จะพิสูจน์อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาพิสูจน์พวกเราก็ให้เชื่อท่านไว้ก่อนก็ดีเพื่อตายแล้วถ้าตายแล้วศูนย์เราก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรมากมายถ้าตายแล้วเกิดเราก็จะได้เป็นเฉียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าพอเราติดเตียมไว้ทั้งสองอย่าง เตรียมไว้ทั้งสองอย่างคือคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าว่าบุคคลมาตายแล้วสูตรออไลน์มาพิสูจน์ก็ไม่มีใครที่จะพิสูจน์ตายแล้วเกิดไม่มีใครที่จะพูดว่ายืนยันว่าเป็นยังไงแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพพิสูจน์มาแล้วเป็นยังไงถ้าว่าพวกเราอยากจะพิสูจน์ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาพิสูจน์มาแล้ว ก็มีหลักวิชาการที่จะต้องให้พิสูจน์กาทำใจให้สงบนั่งขัดสมาธินั่งดูใจของตนเองกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้เป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งได้แล้วนะเราจะรู้ชัดด้วยตนเองว่ากายกับใจนะั้นคนละอันกันคนละส่วนกันเหนือนว่ารูปธรรมนามธรรม รูปธรรมคือร่างกายนามธรรมนั่นคือจิตใจตัวนึกคิดนั่นแนหะนั่นแหละคือนามธรรมพระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักท่านให้ความสําคัญอย่างมากก็ ค, คือนามธรรมตัวมองไม่เห็นนั่นแหะแต่ตัวรู้รๆนั่นแหละตัวนี้แหะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญในหลักของพุทธศาสนายกประเด็นหลักขึ้นมาแล้วมนโนปุพังอะไรแบบนั้น ใ, น, ในใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจทั้งที่ มองไม่เห็นแต่ท่านก็ยกประจุดนั้นเป็นจุดใหญ่มากในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์จุดนี้เมื่อพิสูจน์แล้วพวกเราจะเชื่อด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อคนอื่นเลยเชื่อด้วยตนเองเถิดเราจะเห็นด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านประกาศไว้แล้วธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจต่างผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้ได้เฉพาะตนเระทั้นพวก เราพุทธศาสานิกชนทุกทุกท่านก็ขอให้ตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติธปฏธิบัติสังสมคุณงามความดีชีวิตของพวกเราก็อย่างที่ว่านั่นนะเอะไม่ว่าพระวายโยมเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆไม่ว่าท่านว่าเราแหะไม่รู้ว่าท่านผู้ใดล่ะถ้าเราไปอยู่โรงพยาบาลนะเราจะรู้ได้ปะโอ้โหมันขนาดนี้เลอเนี่ย แต่เราอยู่ในถนนหนทางเห็นแต่รถวิ่งเหมือนกันเลยแต่พอเราพอเราเขาไปอู่เท่านั้นเลยเห็นจอดรถจอดเป็นตับอยู่นั้นอันนี้ก็เหมือนกันเน่ยถ้าเราเห็นอยู่ในที่สาธารณะเห็นคนจุงเหงื่บุนวายไปหมดแเราก็โอ้รถคนเราเนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาล่องราทําเพลงเออซื้ออยู่ ซ, ซื้อกินตรอกเฮฮาเนะีเ่ยพอเข้าไปโรงพยาบาลเท่านั้นอ่ะไปดูเตียงนั้นก็หายใจฟอด แฝดฟอดแฟด ต, ตาเลือกซ้ายเลือกขวาอย่างไรชักดินชักงอทีนี่เออโอ้ โ, อโหมันขนาดนี้เหลือมนุษย์เนี่ยทำไมเออเราไปเห็นในที่คางนอกคิดว่าสนุกสนานเออเพลิดเพลินเฮฮาอืมีแต่ความสุขแต่พอมาถึงจุดนี้โอ้โหมันขนาดนี้เชเีฉลอะทเ น, นี่แหละเราจะต้องมองโรกต้องมองหลายๆด้านสรุปแล้วอย่าไปมองด้านเดียว มองห ล, หลายด้านแต่บางคนก็บอกจะไปมองทําไมด้านบรรทุกม อ, มองมองบรรสุกที่ใช่ เ, <อ>เพื่อเพื่อกันเฉลีย่ยเฉลี่ยกันบ้างแต่ถ้าหากว่ามองแต่ด้านสุขอย่างเดียวเราก็ลืมตัวจนเกินไปถ้ามองด้านทุกขจนเกินไปจิตใจเราก็ห่อเหี่ยวแต่ถึงยังไงก็เต้องรู้ไว้ทั้งสองเงื่อนจะดีกว่างั้นแหละถ้าหากว่าเราเอชอบเป็นสนุกสนาน เ, เ, เราไม่ได้มองถึงความทุกข์เลย ใจของเราก็เหืกเขิมไปในทางความชั่วเสียหายได้ไง่ายๆเหมือนกันเพ้อเพอก็ลืมตัวเข้ามาแล้วก็สิ่งใดที่ชั่วก็ขนทําทั้งหมดเลยไม่คิดว่าตัวเองจะเจ็บจะตายแต่ถึงมองถึงความตายไปบ้างมองถึงความแก่ความเจ็บความตายบ้างอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนนะ่ะคือเรามองสรุปแล้วก็คือให้มองมองรอบด้านมองหลายมุมหลายมุมมองฮะ จึงเป็นผู้ไม่ประมาทจะเกิดปัญญาเอาตัวรอดได้ถ้ามองไปเต็ในแง่เดียวมุมเดียวจุดเดียวนะพวกเราจะไม่เห็นลากหลายในแนวความคิดแต่ถ้าพวกเรามองหลายๆมุมหลายๆด้านนั่นอันนั้นเรา่าปัญญาในหลักของพุทธศาสนาใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนควรทา ส, ส, สิ่งไหนไม่ควรทาสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูด สิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนไม่ควรคิดนะนะหลักของพุทธศาสนาสนะรุปแรวก็คือปัญญานะตอนนี่อไปคณะสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพร อ, อุทิศส่วนกุศลเน้า